ก็ทำให้พระพุทธศาสนามัวหมองอายุสั้นเขา้าทั้งที่จะถึง 5,000 ปีอาจจะไม่ถึงเพราะว่าพวกเราช่วยกันทำลายโดยเจตนาบัางไม่เจตนาบ้างเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าการส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้นทำยังไงหน้าที่ของพระคือทำอะไรอันดับแรกก็คือตัวของเราเองให้หนักแน่นในหลักธรรมพินยัย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 ก่อนที่จะบวชได้บวชทั้งกายบวชทั้งวาจาบวชทางใจใจบวชซะก่อนอย่งสิ่งเหล่านั้นมจึงบวชตามเข้ามาอันนี้ใจของเขาไม่ได้บวชพูดก็พูดไปเหมือนกับนกแก้วนกคุณทองความหมายในการบวชไม่รู้เพราะนั้นบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมินัยทําให้ศาสนาแปรปวนไปพอสมควรจึงค้นหาต้นเหตุก็เพราะว่าพระบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ตั้งใจ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 ไปคนละทิและทางจะแสดงว่าพระพี่เลี้ยงใช่ไม่ได้นะพระพี่เลี้ยงต้องพิถีพิถันในการดูแลปัฐบริขารให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย อ, อย่าทําจากแปลว่าธรรมถ้าทำจากแปลว่าธรรมนั้นไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นพระพ่เลี้ยงนะต้องช่วยดูให้ละเอียดละออพอสมควรอย่าให้มีปัญหาในการบวชผู้ที่บวชเหมือนกัน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 ทำให้ไม่สบายใจเหมือนกันท่านว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่รีบร้อนจะบวชทั้งทีกู ป, ป, ป, ป๊บลางานมาแล้วก็มาบวชคิดได้จะบวชก็บวชเลยพอบวชเข้ามาแล้วกไม่อยู่ในกฎระเบียบอยากจะบวชจยากจะบวชเออพระเขาไม่รู้จะทำยังไงเอบพอผมจะได้ไปทํางานภายในสิบ้าวันผมลาได้เพียงส5บหวันผมอยากจะบวชแต่สิบห้าวันน่ะมันจะท่องเอสาหังได้ยังไง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 ในเย็นนั้นนายโสธิยะได้นํายากามาถวายแปดกำมึอยากาที่เขาทำหลังคาบ้านที่เขามุงหลังคาบ้านบ้านมุงแฝกมุงคานะ่มุงจากเขาหาบมาเขาก็ถวา ย, วายท่านแปดกำมุอจากนั้นพระองค์ก็เกลี่ยลงที่โคนต้นโผธิ์ทให้เป็นอาชนะที่น่าต้นโพธพวกเราก็รู้อยู่แล้วคงจะเป็นตะปุ่มตะปําเป็นลากนะพระพุทองค์ก็วางยากาที่โคนต้นโผธ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 แต่สรุปแล้วก็คือมารสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามารบกวนพระองค์จะเป็นมารประเภทไหนกนะ็เถอะนะเขามารบกวนใจของพระองค์ทำให้ใจพระองค์ปันปวดผลที่สุดพระองค์ชนะมารพร้อมกับพยามารกิเลสสมานทั้งหลายออตอนหัวค่ำกากิจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะปุเพนวาสานุสติญาณ ล, ลึกชาดหัวหลังได้ ถ้าพระพุทธองค์เกิดมาชาติเดียวเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวพระพุทธองค์จะระลึกชาติทุนหลังได้ยังไงลึกๆชาติทุนหลังได้ชาติที่แล้วชาติก่อนต่อไปเรื่อยๆหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติที่พระพุทธองค์ได้ตัดรู้ได้ดูได้เห็นได้รู้ด้วยญาณทัศนะของพระองค์อันนี้เราปุเพนิวาสารรุสติญาระลึกชาติทุนหลังได้จตูปปาติยานการจุติ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 กับความว้าวอ้างว้างของตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมมีมากหรือเปล่านี่แหละให้พวกท่านทั้งหลายถามตัวพวกท่านพราะพาุทธเจ้าท่านรู้ที่โกลตุนโพเนี่ยท่านดูที่ใจของท่านท่าน ว, าว้าเวท่านอ้างว้างท่านคิดถึงเน่ยเพราะบรมวงศสานวงศ์คิดถึงกรุงก บ, บิเดพัฒน์พระบุตรทชายาราชบุตรของพระ อ, องค์พระ อ, อ, องค์มีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างนั่นแหละกิเลส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 สนามรบของนักรตนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้ลบที่อื่นเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในครั้งนี้เรียวกว่าเป็นพระที่เข้ามาบวชแล้วเป็นพระใหม่พระเก่าอะไรก็เถอะถ้าไม่รู้จักที่ลบกันนะกิเลสขยำขยี้หัวใจดูของตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าหาว่ารู้จักวิธีลบแล้วก็นี่แหละจุดนี้แหละคือจุดสนามรบที่จะต่อสู้กับกิเลสจะแพ้จะนจชนะ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 ถ้าเอาหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเป็นอะไรเป็นกษัตริย์เราเป็นอะไรเราเป็นกษัตริย์ใช่ไหมกษัตริย์อะไรพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ทังหกปีท่านมีพร้อมทุกอย่างแล้วท่านทํำยังไงแล้วเรามีอะไรบ้างที่จะเปรียบเทียบกับกษัตริย์ของพระพุทธเจ้าสิทธัตถะสมัยนั้นมันเทียบกันไม่ติดเทียบกันไม่ได้แต่พวกกิเลสในหัวใจนนันั่นแหละ ไม่แพ้ใครใครไม่แพ้กันเหางอนกันทำไม่ได้ชําระแต่ถ้าว่าชําระกิเลสดูกิเลสภายในใจของตนเองแล้วเราจะรู้ด้วยตนเองว่าจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ ว, าว้าเวอ้างวางเงียบเงาซึมเศร้ายังไงเนี่ยจิตใจของเราซึมเศร้ายังไงเราจะรู้ได้โดยตนเองถ้าเรามีหลักธรรมะเข้ามาจับนะแต่ถ้าไม่มีธรรมะเข้ามาจับแล้วก็อย่างวานนะเออมันเตะมันต่อยมันถีบ ยังไงเราก็ไม่รู้นะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวสำหรับเป็นแนวความคิดของผู้ที่จะบวชมันอาจจะมีกิเลสเข้ามาเตะอย่งงางนั้นก็ได้นะหลวงพ่อเตือนเอาไว้อย่าให้มันกิเลสอย่งงางนั้นเข้ามาเราต้องเอาชนะกิเลสให้ได้เาราพรนะท่นเ้นะนมรตนาให้พอยะถาวาริวา